ทั้งคนก็มาโอ้ดีจริงๆปฏิบัติไร้นะมีข้อมูลดี๋ยวทำใหเพื่อนกันพวกเราเป็นเพื่อนกันเยมากฝายสายคันลยาณมิตรแต่เรามีหลักแตเราไม่มีหลักูคนที่หนึ่งที่2งที่3ามมากทีเดียวลคันลยาณธรรมก็คือมีสติมีสมชาญาเหมนที่บอเราล้หานนี่ในการปฏิบัติรือจกแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลง สิ่งที่ล่ายกลายเป็นสิ่งที่ดีทำสิ่งที่ผิดเป็นสิ่งที่ถูกทำความทุกข์มาเป็นความไม่ทุกข์เจอว่ากัลยาณธรรมเรามีกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมของชีวิตเราทาหน้าที่โดยตรงปฏิบัติตรมวันนี้ เราศึกษาชีวิตของเราในชาตินี่ในภพนี่แหละใม่ใช่ภพใดภพใดที่ขึ้นโูกขึ้นวัยเดี๋ยวนเทวดาอยู่ในสวรรในภพนายนรกทำตัวนี่ทำไมไม่มีโอกาสได้ปฏิบัติเดี๋ยวานี่แหละนชาติที่เราเป็นมนุษย์ที่เป็นคนไม่ใช่ไม่เลือกทุกสาขาอาชีพไม่ได้เลือกเพศเลือกวัย ให้กำมาลูดตัวนี้รัฐที่กายใดมันเกิดอไฉันก็ไม่เอาแม้แเห็นาพระเจ้าเดินมาทปฏิบัติมีสติเห็นันจะไปเอาูตัวนี้อย่างเดียวสติมันจะเกิดขึ้นในโลกนี่แหละในโลกที่มีทุกในโลกที่ไม่โกรธในโลกไม่หลงนี่แหละสมัยผมไปปฏิบัติทำแต่ยังมีทุกอยู่ก็ใช้ได้ล่ะสติปัแต่ไม่ความโรภความโกรธความหลงนั่นแหละบ้านปาโพใเตียง แต่โอกาสที่เราจะต้องปฏิบัติา ม, มา ม, มิเกิดมิเจไมีเก็บไ ม, ม่ตาเราก็ทำได้จริงๆริงฝนตกเมืัีนีาใดมันหลงเราก็สร้างความรู้ความรู้สึกตัวไ้สลไมรมไม่แล้วก็มีความรู้สึกตั ว, ต ว, ตวอยู่ตลอดเวลาก็ได้ไม่เสียหายเวลาหลงหมรู้่เสียหาย มันหลงลงไปเลยอันนั้นไม่ดีเนินช้าแต่มันหลงหลงไปเราจะได้ลูกเราไม่หลงก็สร้างตัวูกอยู่ในละาคัดเข้าในตัวลูกสุดตัวลูกเป็นตัวนี่ากด้วยมือของเราเดยชีวิตของเราเองไม่ใครรที่ทาให้เราได้ ใชในเตียงก็จะในต้องมีความมั่นใจสนับสนุนล่ะแต่พระพุทธเ้ก็ช่วยเราไม่ได้การกระทําเป็นเรื่องของเราเองความ i ุกข์เป็นความทุกข์ของเราเหตุใจที่ทําให้หลงตกขาตกก็มีเหตุใจที่ทําให้รู้สึกไม่หลงก็มีเหมือนกัน จองไปไม่ได้ก็ไม่ได้ปิปัติทำเลยมันทาได้นของที่ทาได้จากไปมอบให้ปูนวาดชนะบาลามีที่ไหนที่ไหนวาสนะก็คือทาเอาด้นี่แหละตั้งต้นใหม่เรื่อยๆบาลมีคือทำให้เต็มไ้พร้อมมัหลงมาได้ก็พร้อมที่จะรู้พร้อมอย่ทุกโกาสนำโต๊ะกล่องพร้อมที่จะดับทุกในมันได้หยุดหยุดก็มาหายแต่แค่ไปอ่อนวอน หายใจเข้าหายใจออกให้ทากิจอื่นสิ่งอื่นหรอกแรงงให้มันคามรู้สึกตาใหน้าาเหตุตาโนนโทนี่แหละต้งโตัวเขานี่แหละจะเป็นตัวคนทำยืดอขึ้นตั้งเอวตั้งหน้าอกตั้งคอตั้งใบหน้าเงี้ยขเรามีวิชากรรมฐานวิสุดยอดเลยสุดยอดของวิชาที่ศึกษาขององอาจทำไปทไปมันเก่าเอาตั้งต้นใหม่อีก คือมันก็น่ารากแล้วกรรมวารที่ตั้งแห่งการทสงบอยู่ก็างนั่งอยู่นะจไปทที่ตั้งทาอยู่ที่ตั้งมีสติตั้งไว้อยู่อกใจ่นขึ้นมาตตั้งมันก็มีมีกายมีใจนี้นก็มีเท่านี้แหละเราไม่กายกใจเท่านี้แหละต่างอะไรตรงนี้ นตั้งไว้นานานานแล้วนก็เหมือนกับปูกต้นไม้ปูองไปฝังลงไปในดินก็มีโอกาสที่จะออกกา้าสร้างลำต้นถีเราไม่ควกิกานสาขาเกิดดอกออกผลพระความรู้สึกตัวแท้ๆที่จะกลายเป็นมาเป็นผลเปียนกลายเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาไม่ใช่ตั้งอันว่า ไม่ใช่ไปซื้อไปหาไม่ใช่ไปอ่อนวนบอกว่าขมการกระทำของเราเนี่ยตังไว้รูดเอาไว้รูดาไว้ไม่ใช่บาแบกขามความรู้นงเหมือนคอมพิวเตอร์เก็บเอาเก็บเอาเก็บเอาความรู้เก็บเอาความูเกิดมาเอนให้ข้อมูลดีๆแก่ชีวิตเราเห็นแล้วก็ สิ่งไหนมาไม่ดีเราเปลี่ยนเป็นดีปฏิคือเปลี่ยนได้ายเป็นดีมันจะคิดเท่าไรเท่าไรเปลี่ยนิดกายเป็นถูกติดทางไหนไม่ไม่ดีทางตาทางหูเปลี่ยนเป็นความดีเปรู้กตัวได้ทั้งนั้นมันจะเก่งมันจะเียนได้ทั้งหมดสิ่งไหนที่เกิดขึ้นกับกายกเปลี่ยนเป็นตัวลูกมาทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใรูปรสกลิ่นเสียงเปลี่ยนเป็นตัวู ภาษาเพัดนึกมนุษย์สมบัติจริงๆแหละชีวิตเราเนี่ยดูคิดเราจะไปอ้อนวอนในชาติใดเอาติเมื่อใดแต่ได้ยังทำไม่ได้แล้วก็ดูอยู่นั่นแหละอะไรใดที่มันหลงน่ะนั่นแหละเป็นโอกาสของเราอะไรใดที่มันทุกน่ะเป็นโอกาสของเราดูคิดก็เห็นคำเขาสร้างเอาเปลี่ยนเอามันก็จริงนะหมายถ่องไปก็เปลี่ยนได้ทันที เราอยากไปหารายละเอียดการเล่าพูดถึงโลกเพื่องนาำโลกมันทาน้ำมันทำโลกมันทำดีน้ำมันทำดีโลกมันทำชั่วน้ำมันทำชั่วโดยสติเป็นผู้ดูเป็นผู้เห็นเห็นกายเนี่ยโลกถึงเก่งเลยนะโลกทำน้ำมันทำมันธรรมชาติแต่เราดูอทีใส่มันมีกับโลกมากมายหลายอย่างธรรมชาติที่เกิดกับโูก มันก็แม่เลี้ยงลูกน้อยของมะก็คือธรรมชาตินี่แหละไปเห็นมันถ้าไปตู่เอาของเขาเห็นว่าไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เพราะไม่ใช่ตัวตนมันเป็นสัจธรรมของลูกหลอกให้มันเล่นในนั้นเราก็ไปทำงานไม่ใช่สัจธรรมของจิตของนามหาสิ่งให้มันเล่นถ้าเราพัฒนาทำให้พัฒนานามก็เลวไล่ขนลูกไปเ ลูกมันยังมีที่อยู่อาศัยในบ้านในเรือนม่ข้าวปลาอาหารม่เครื่องมือหอมน้ำนี่ก็จนกว่านี่ถ้าเราไม่พัฒนาวัตถุสุกายนี่เป็นนิมิตถ้าเราพัฒนามันยิ่งมีที่อยู่กว่าลูกเยงลูกอยู่นี่นานๆธรรมะต้งถ้าเราพัฒนามันลูกมันไม่ธรรมะต นั่งอยู่นมันคนไหลไปของมันอยู่ไหลไปไหนไหลไปสู่ความเปิดความแก่ความเจ็บความตาย่นเวลามันชีวิตเราไปชีวิตของลูกแต่แลชีวิตของนามาันามันไม่มีเกิดแก่ไม่เจ็บมตายยักษ์ใหญ่นตาสองตาในปากกีเคี่ยว แ่ว่าเป็นลาเี่ยว32มสบสองเที่ยวแต่เ่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามสาสเียวพยายามตาสองตาตาหนึ่งสว่างตาหนึ่งมืดก็คือกลางคืนกลางวันเที่ยวก็คือสามสิเที่ยก็คือเดือนหนึ่งมีสาสวันมันหมดไปหมดไปมันกลืนอันนี้ลูกมันต้องเป็นอย่ั คิดมาก็โคนนั่นแแต่น้ไม่เป็นอย่างนั้นถ้าเราพัฒนามันมันนคงในที่อยู่ไม่จนคิดเหมือนกับไก่เชี่ยสูุ้งแต่บางคนจนมากๆจะมไลายคมดีตั้งชีวิตนะวันดีสีวันไลยจนให้รู้จะทำยัางไรจอะไรมาก็เอาหมดแล้วเอาหมดไม่เป็นตัวของตัวไม่เป็นอิสรก รับใช่รับเป็นธาตุของอารมณ์โอคือคนโกรคือคนโง่เป็นคนหลงคนโลกคนทุกข์คนโง่เราไม่ต้องโง่ขนาดนั้นามารที่จะฉลาดคนนั้นก็ได้ไม่ต้องไปรับใช้ความโกไม่ไปสีภาษาไม่ต้องไปรับใช้ความทุกข์พอเราเห็นรูกเห็นนามตามความเป็นจริง โลกมันทุกน้ำมันทุกโลกโลกน้ำโลกนี่ดีกว่าจะนีดีกว่าเรชอบแโลกของโลกน้ำผัวสง่าผัมานั่งางกวันรักษาเยียวยาตามเหตุตามปัจจัยแต่โลกของน้ำเราก็รู้เราก็ศึกษาแล้วก็รักษาอะไรจบไม่ต้องเกิดโลอีก แต่โลกของลูกเกิดอยู่เรื่อยๆเกิดความหิวไม่ยมพูดเ่านโลกของลูกใกล้ๆแก้ไม่จบไม่สิ้นนั่งนี่ๆของกินความหนาวยังก็ยังหนาวอยู่ความร้อนอาหนของกินแต่ในโลกบางคนแตเกิงกับลูกฝนกอยที่จะเอากินกับลูกเอาโอกาสเว่งหา เป็นท่าของโลกตลอดเวลาหาความสุขแบบปีนป่าไปยินป่ายจนไปถึงยอดตกลงมาต้องสมัเป็นสุขที่มียอดแต่นามาทําเนี่ยเป็นสุขเกษตรสุขที่ไม่มียอดแต่เราเป็นที่ป่าคนเก่าที่ป่าถ้ามันับมีคนสอน แต่รับสายฉีดกากให้หายจะเรียกว่าความสุขกวามใช่เพราะไม่ต้องเก่าอันนี้พูดภาษาของนนําไม่ต้องไปทักใช่อะไรสามัรเกสุขเกษมสุขไม่มียอดลูกมันทุกน้ำมันทุก แต่ผงน้ำเนี่ยแก้ได้ทีเดียวจบไปตลอดชาติเหมือนพระพุทธเจ้าที่เราได้ศึกษาวัดตัดผมครั้งเดียวพระพุทธเจ้าเป็นได้ทั้งกิจใจทางคนทำทุนเะตัวเนี่ยรู้ตัวตื่นตัวเบิกบานเป็นได้ทั้งกิจใจอาศัยลูกตัวที่มีทางกระทำอาศัยกัน เมื่อความลงไม่มีเป็นเหตุอาลูกเน่เหมือนกับเรือเหมือนกับเกิดธรรมชาติเกิดผ่องแผ่ที่ต้องขี่ข้ามให้ได้มมู่กไมมีน้ำามีเหตุปัจจัยที่ดีทอะไรได้โชคดีของพวกเราแล้มนในูกมันมีมือเคลื่อนไหวได้ลูกได้เดินได้แต่ไม่มีเคลื่อนไหวได้ก็มีกายมีใจปฏิบัติได้อาจารย์กัพนน มือก็ใช้ไม่ได้มีอะไรส่วนขาส่วนแขนใช้ไม่ได้ใช้ได้แต่ความรู้สึกที่มีอยู่ในกายลมโมโกรธลมวนกายมีกิ่งเปที่หายใจเข้าหายใจออกเต่่อ่เคลื่อนไหวก็น้อยไม่เป็นธรรมต่อกันแต่ก็มีเ่องของเป็นผู้ดูแลมีสีที่สำรวมได้ดีกว่าคนที่มีขามีหมีขามีแขน อยากเกิดลุกไปเลยดยายเกิดนั่งไปนั่งลงเลยบางที่อาว่ามันมีโอกาสทไมหลงได้ทานน้าคนไม่มีโอกาสอากลูกก็ลุกไมได้อยากไปจับโนนอยากไปเดินไปตรงนั้นก็เดินไปมันเทียนก็เลยสมรวมรู้อยู่แต่เรกายปัจจัยที่ไม่สวยูแคบๆมันก็เลยเกิด อาจจะไม่เหมือนคนที่มีอวัยวะใช่ใช่ะดวนสบายอาจจะเป็นสงสารรูบางทีน้าตาไหลเกิดถึงการสร้างสมลงได้มากเองไม่มีใครบอกัคนตามอไม่มีใครสอนแลมีสัญญาเขเอาใช้สัมผัสแล้วก็ลูบเลี้ยนบาทเลี้ยนห้าบาทเลี้ยนสิบาุนของชีวิตนะครสัญญาที่เขาลงออกกบบานเดินไปรอบบานอเดินกับบาทหน่อยอันนี้ก็จับสารได้ แต่ชีวิตเราบางทีถ้าเราใช้มันไม่เป็นทุกข์ปลงเราใช้เป็นโยเกิดประโยชน์ยกมือสัางยองให้ขาไปใช้ให้ไปเกิดความรู้สึกอยากใช้ให้เกิดความหลงตื่นจากทุกข์ในตาก็ใช้ใช้ตาใหหัวต้องใช้หัวจะให้ตามันใช้่าให้หัวมันใช้ หลอดถึงเกิดจิตใจเอาใจมาใช้เอากิตมาใช้ิ่งเี๋ยวนี้เป็นทางของสติสติเป็นเก่าพ้นภาวะเดิมหยิบมันมาใช้ใช้ปัญญาด้วยสติเหมือนเดิมขึ้นมากับทางของสติจับมันมาใช้แต่ถ้าเราไม่มีสติมันจะใช้เราเกียรติใจมันจะใช่เราตายมันจะใช่เรา ไปหมดสมเลยจริงๆกติปัติ์ทั้งเรียงนามก็สมนีข้อมูลที่ทำไมเกิดเพราะว่าหมาโลกถักเยอมากปลายสายก่อเราไม่มีหลักถ้าเราไม่มีหลักก็เปิดข้อมูลทาให้หลงมากเีเดียวนหะเราเห็นสมตงก็เห็นปมัดคมไวโชคดีเหลือเกินที่บอกเราเวลาในวันนี้เป็นเช่นนั้นเองเรามี อะไรที่ฟ้อมอยู่แล้วตอนนั่งอยู่เราจะลุกเราจะเดินเราจะูรูได้ทันทีในตาในหในม่นอย่างนี้ันปฏิบัติธรรมอย่าไปมัวเดือดรังเลสงสัยอยู่เราในมันฟ้อเรานะในตัวตนีตัวตนย้นมือก็ลู่ได้เลย้อมือก็ูได้หายใจดูก็รู้ได้ปิดตาก็ลู่ได้คลื่นน้ำลายกรได้นี่แธรรมชาตินี่แต่อาการ มุษย์สมบัตินั้นวันนี้นเป็นโอกาสที่เราจะทำอะไรได้ <c oughs> ต่อหลวงปูเทียนบอกว่าตีเมื่ขึ้นรู้สึกไหมรู้สึ ก, กยกรู้สึกไหมรู้สึ ก, กนี่แหละทำเท่านี้ทำเท่านี้รือหลวงพ่อทำเท่านี้แหละหลว ง, งทเทีนเยนบอกโอ้เราก็คิดว่าาจะพูดแบบคนมีความสามารถออ้ยภาษาอะไรท่านเนี่ย ถ้ามัคิดไว้ก็จดไปตามคนคิดนะให้กำมาลูกตัวนี้มันเกิดอะไซึ่งก็ไม่เอาแม้แต่เห็นพระพุเจ้าเดินมาก็ไม่เอาเห็นสีเห็นแสงก็จะไปเอาให้มาลูกตัวนี้อย่างเดียวนี่ยฉันบอกเ่านี่ยนะเราก็หาที่เลยรพวกสมัยผมไปปฏิบัติธรรมปฏิสติ่ก็ไม่มีพอไปขอเตียงวัดบ้านปากภู ไปเตียงพระไปช่วยหามมาเป็นโยมไปข้าไม้ซื้อผ้าพลาสติกยี่สิบาททำหลังคาฝนตกเหมือนกับปีนี่ปบปบปบปบปบปบอยู่ใต้ต้นไม้ร่มไม้เสียงฝนตกใส่ผ้าไปทีนึงปบปบปบปบปบปบตกขอบพอรานั่งสร้างจังหวัด เดินก็เดินไม่ได้เกอานอนก็ง่วงนอนก็ง่วงนอนนา่งสร้างแค่ว่าอยู่ในเตียงที่ในหลังคาภาพประจิกสองข้างเป็นหนามหนามคัดเข้าในทางเดินพอเดินได้อยงเดินตามเป็นผงๆกับแม่กับแม่พึ่งอ่ถ้าเราเดินในเตียงก็อยู่ใน นุ่งทำเท่านี้หรือทําเท่านี้เราพอมั่นใจแล้วมันติกมือขึ้นรู้สึกยกมือขึ้นรู้สึกเอ้าวอ้าวมันก็เก็บเอาเก็บเอาเก็บเอาเก็บเอาคามรู้เวลาได้หลงก็ยิ่งดีจะได้มีบทเรียนจะได้รู้มันเวลาได้มันงงงอ้าวตกขาตกแขนตึกตับไปสบตับรู่เรือนตาขึ้นมองไปโนดมองไปนี่เกตนาสองไปโนดสองไปนี่มอง หาเพื่อนหาเมิดเอาความรู้สึกไปข้างนอกกดลู่เราก็กลับมากำหนดตั้งต้นใหม่เรื่อยๆ อ, อย่าให้มันเก่ า, เ ร, าเริ่มบทอนะเ ร, เริ่มบทอย่าให้มันเก่านะมันเก่ามันพลาดฉัสร้างแค่ว่าไปนานๆหน่อยมันพลาดเครื่องลูกเครื่องหลงก็หยุดหยุดก็มาหายใจหายใจเข้าหายใจออก ตดลมแรงๆให้มีความรู้สึกวางหน้าวางตาตั้งโทนตัวหม่อยยืดตัวขึ้นยืดคอขึ้นตั้งเอวตั้งหน้าอกตั้งคอตั้งใบหน้าหมายกำหนดอริบดชกมือสร้างจังหวะเอาให้มันองอาจทาไปทํำไปมันเก่าเอาตั้งต้นใหม่อีกให้มันชัดๆอยู่เสมออย่าทำแบบเพิ่งลูกเพิ่งลง นั่งจะสงอกอยู่ก็ยังนั่งนนะอยู่น่นะจ๋าไปทำเรียนเขาจสงกปุ๊บขึ้นมาโอ้ตกใจตื่นขึ้นมาโอ้ตัวเน่เมันตัวหลงอีโด่ขึ้นมามันโร่ได้มันทำได้อยาไปอ่อนเน่ยอยาคล้อยตามเลยไ ง, ไ ง, ไงอย่าให้เขามาหิ้วไปไงไงะ กิจนี่เป็นตัวหลอกเก่งทีหลอกไม่กลัวคนหลอกไม่กลัวกลัวแต่กิจนั่นแหละมันจะหลอกหลอกให้หลงเอาจริงกับตัวนี้ปะแม้เราสร้างจังหวะรู้ที่กายแต่ว่ามันตั้งเป้าไปดูกิจ ด, ด้วยนะหลวงปูเทียนบอกว่าห้าสิบห้าสิบ ส่วหนึ่งมันรูปกายอยู่ส่วนหนึ่งมันตั้งเป้าก็กิจมันคินกับมันรูปปั๊บเองแหละจริงเราสร้างเราลูบที่กายมันก็ลูบกิจนั่นแหละกิจนี่เป็นตรงกระหานดูมันเกิดมามันคลุดขึ้นมาให้เราเห็นเองเห็นแล้วก็จะไปยุ่งกับมันอยไปจริงจริจังกับมันมันจะคิดเท่าไหร่เท่าไหร่ก็จะไปยุ่งกับมันจะไปคุมมันอยาไปบังคับมัน เรามาหาที่ตั้งของเราตั้งวิธีกายนี่มันจะเก่งมันจะซุกซนขนาดไหนก็ตามไปสนใจมันทำทีแรกนะถ้ามันมีอารมณ <c oughs> ์รู้จับลูปรูป้จับนามจึงค่อยไปดูกิจบําเพ็ญทัทงกิ่นนะเอาสติดูกิจเข้าไปเลย แต่ได้ยังทําไม่ได้เพราะยังไม่มีอารมณ์แล้วก็ดูอยู่นั่นแหละเราดูกายแต่มันดูจิตดูกายก็เห็นจิต ด, ดูคิดก็เห็นธรรมน้องเขาพูดกันใพูดตามข่าว่ามันก็จริงนะดูกายมันก็เห็นจิตถ้าเราอยาไปหารายละเอียดการเคลื่อนไหวนี่ก็คือจิตนั่นแหละคือประสาทคือสัญญาที่มันรู้จิตที่เราสั่งให้เคลื่อนไหวจริงอยู่ก็อย่าไป อยาไปมุ่งอาหารายละเอียดให้ลู่เฉยๆเละในกายเนี่ยกายจริงกงเนะี่ยเห็นกายเนี่ยลู้ถึงเกิยงเยนะไอ้เกียงก็จิตนั่นแหละถ้าเราลู่เฉยๆไมันก็เหมือนกับสอดจิตมันก็มนกแม่เลี้ยงลูกน่อยลูกอ่อนแล้วอ่อนอยากให้ลูกมันอยู่แม่จะไปหุงข้าวไปนึ่งข้าว ไปกวดบ้านเอาโลกมาวางไว้หาตุ๊กตาให้มันเล่นหลอกให้มันเล่นอย่นันเราก็ไปทำ ง, งานด่าคิดของเรากงค์กันกันหาหาสิ่งที่ให้มันเล่นอยี่วิธีจับคิดก็เนี่ยคือเอากายเนี่ยกำหนดโลดเดินไปหรือนั่งสร้างเียงหวะมาให้มันเล่นอยู่ตรงนี้บางทีมันก็ไปทั้งเก่งก็กลับมาแต่มันไม่มีตัวไม่ตนจิตเนี่ย ต้เอาวัตถคร่ากายนี่เป็นนิมิตเป็นทิ่ตัง้งให้มันกลับมาให้มันรู้อยู่ตรงนี้ถ้าไม่รู้อยู่นี่นานๆนๆก็นนนนนนมือนกับสอนจิตจิตนันก็ค่อยที่จะไม่คงศาสตร์ค่อยที่จะรู้ทําใหม่ๆมันหลงมากกว่ารู้นะเหมือนกับว่ามันคิดมากเข้ามากเข้าเพราะทำใหม่ๆความคิดมันทะลักเข้ามาทะลักเข้ามา สิบปียี่สิบปี30ปีผมก็ยังเอามาคิดอัดมาคตที่ยังไม่มาถึงก็ามาคิดไปข้างหน้าคืนข้างหลังปัจจุบันเลยไม่มีบางทีมันก็กลิ้งคกขึ้นเขาทำให ม, ม่ให่แต่ว่าไม่เป็นไรใจดีสู้เสือเสือวันหล่าจะเป็นยังไงก็ตามเพ ย, ยายามที่จะรู้อยู่นั่นแหละ จิตของเรามื่ก็เป็นอย่างนั้นแหะเมื่อเราจะกําหนดให้มันเป็นที่เป็นทางมันไม่ยอมมันไม่ยอมเบื่อแรกก็เกิดที่บนแล้วทำการมาฉันทะพยาบาทบางทีเราคิดขึ้นมาก็โกรธคนนั้นทําไงคนนีทน้ทำไงถีนามิตะากุตจจะกุกุตจจะคิดเหมือนกับไก่เขียฟุ้งุ ก, กุตจจะ เหนไก่กุกกุกคือไก่เขียคิดแบบได้เป็นชิ้นเป็นนันแล้วเราก็ลองดีสงสัยจับจับจดจดอาจารย์น้นสอนอย่างนี้อาจารย์นี่สอนอย่างนี้เราชอบอย่างนี้อันนี้ผมพูดเรื่องผมนะไม่ได้พูดเรื่องไครผมเกิดสภาวธรรมของตัวเราเป็นนักสมถะ ท, ทำไปทําไมเอมือมาล่างเอาเมือมาวา ง, าาวางไว้บนตัก นั่งส ง, งบมันสุขก็จะมายกมือเดี๋ยวมันหนักมันก็ยากกว่าการที่ไปนั่งทำๆทำไปทำ uh, มาแล้วมันนั่งเอามือวางไว้มืนังส ง, งบอย่างนี้ดีกว่าจ้ะนี้ดีกว่าเราชอบแบบนี้ตัวก็สวยงามกว่าสง่ากว่ามานั่งจ้างที่วันะมันไม่สง่าเลย ตนที่อายเพื่อนแดกทำในสติมันคิดสารพัดอย่างเอาเหตุเอาผลเอาตนเป็นที่ตั้งแห่งความชอบความไม่ชอบไม่ยมพูดเท่าคนหนึ่งแบใกล้ๆ ก, กันกลานนั่งนิ่งๆท่านกำลังสะขิตเฮ้ยอย่าไปนั่งตายอยู่นันอย่าไปนั่งตายอยู่นัน ขยันหูขยันหูสร้างตโตหูสร้างตโตหูออกมาตัลรูจุดตัวออกมาลำดับตัวรูตัวเนี้โอ้ลงมาสร้างตัวลูเนี่ยลมาสร้างตัวลูตัวนี้ตัวลูต้องประกอบต้องสัมผัสเอาตัวลูตัวนี้ต้องสัมผัสต้องสร้างเอากรรมการกรรมเอา ไม่ใช่มาคิดเอาเร่มสงบไม่ต้องสร้างหาสิ่งไว้ล้อมดีๆมันก็สงบไปแต่ตัวรู้ต้องสร้างนะสติจะเกิดก็เพราะการประกอบนี่พิกใตเส้หนึ่งแล้วรูกอีกรูกอีกเดินจงกรมพอดีพอดีเนี่ยชั่วโมงหนึ่งประมาณสามพันเก้าในชาเกินไปไม่ไวเินไปสามพันห้าร้อยเก้า ไม่เกินชั่วโงนึง่งนั่งสร้างจักละถ้าพอดีพอดีนี่เกือบจะวินาทีต่อละลูแต่และลู่ใส่ชั่วโมงหนึ่งก็ได้ถึงสามพันลู่ทำพอดีพอดีใส่ใ จ, ใ จ, ใจพอดีพอดีโอ้มันก็เก็บเอาเก็บเอาโอ้ตกลู่มันลู่ลูลูมันก็ไม่หลงลูกที่หนึ่งก็เหมือนกับเดินออกจากความหลงทีหนึ่งไกลความหลงไปเลยเลยๆทาเท่านี้ทำเท่านี้ ใหความรู้สึกมากขึ้นมากขึ้นเป็นมหาลู่เมื่อความหลงไม่มยมันจะเกิดอะไรขึ้นเกิดธรรมชาติเกิดกดของธรรมชาติเหมือนแสงสว่างก็กำจัดก็มืดเมื่อเกิดแสงสว่างก็มองเห็นเราดูกายมันก็เห็นกายเห็นเป็นลูกเห็นเป็นนามเนีมันบอกเปิดออกมาตำรามันบอก กายใจของเราเนี่ยสงสารกายโลภทุกแล้วก็ใจก็ยังไปใช่มันทุกข์อยู่พอเห็นโลก น, น้มก็คมโลภคมโกรธคมหลง ก, ก็สั่นคลอนเต็มที่หาที่ตั้งได้ยากแต่ก่อนนี้ไม่ไม่มีธรรมไม่เป็นธรรมต่อกันพอเห็นสติจะเป็นกลางเป็นเจ้าของเป็นผู้ดูแล สองสารโลกสามสิบปีเกือบมึงตายนะเกือบตายก็สั่งการเขาสั่งงานงสั่งให้วิ่งสั่งให้ทํำอะไรทุกอย่างต่อมาลุกหรอโอ้มือนกับการปลดปล่อยอยู่ใครอยู่ตัวใครตัวเราจะมาเหียดเยียนกันแจะมาราังแกกันจะมาสั่งงานติดติลูกคนทุกอยู่แล้ว สั่งให้มันโกรธให้มันหลงให้มันโลภอยู่สั่งให้ไปตกกองอนคุณชิดมันก็เพิ่มเติมซ้ําเติมรูปเกินไปสงสารรูปบางทีนาตาไหลนะท่งสารตัวเองไม่มีใครบอกไม่มีใครสอนไม่มีใครสอนให้รู้เลยนะโอ้ว่าก็นว่าลุ่งอรุณของชีวิตนะครเห็นรูปทุกเกันนามทุกดูทุกเข้าไปเลยโอ้ทุกอะไรเอ๊แต่ทุกของโลก ของน้ำก็เป็นทุกข์หายใจอยู่นี่ก็เป็นทุกข์ทุกข์ของลูกถ้าหายใจเข้าไม่ออกมัก็เป็นทุกข์อยู่แล้วหายใจออกไม่เข้ามันก็เป็นทุกข์ต้องพิบตาต้องเลื่อนน้งลายต้องกินต้องทายนะเป็นโลกนะเป็นกองทุกข์กันหนังเพราะจังหวัดตื่นจากทุกข์แล้วจะยังมีโกรธพี้อะไรมาหลังคับทับถมลงไปอีกมันก็ไลยเอาแล้วกัน ก็เกิดความเบากายเบากิจกายเราหัตากิตตาลราหัตาความเบาก า, า, า, า, า, ายความเบากิจต่างเก่าพ้นภาวะเดิมวิปัสฉนาจะแบบไนพ้นภาวะเดิมขึ้นมาเป็นวิปัสฉนาล่วงพ้นอันเก่าเป็นชีวิตที่ใหม่ๆหัวกเก่าเห็นโลกทุกเห็นน้ำทุกเห็นโลกโลกน้ำโลกเห็นสมมุติ เต็มไปหมดสมมุติชื่อเสียงเรียงนามก็สมมุติคำโพรดคำจาก็สมมติเราไม่รู้สมมุติเพราะว่าหมาลราก็โกรธเขาว่าบ้าเราก็โกรธโอ้สมมติเฉยเฉยไม่ใช่ปรามัดปลามัดไม่ใช่สมมุติเราเห็นสมมติก็เห็นปลามัดขุมไว้ปลามัดถดสภาวะรมเป็นเช่นนั่นเอง ก็ไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ควาไม่ใช่ตัวตนแต่ก่อนมีตัวมีตนเต็มไปหมดในตาในหูในจมูกในลิ้นในกายในใจในโลกในลดในความร้อนความหนาวความหิวมีแต่ตัวตนวันนี้ตัวตนสลายลงเรียกว่าสกยาทิฏฐิไม่มีตนอยู่ในกายมีแต่